การประพฤติทุจริตเป็นต้นว่าเศรษฐะและภาระทวะชะแม้กษัตริย์ผู้ประพฤติกายโโทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทํากรรมตามความเห็นผิดเพราะการชักชวนผู้อื่นให้ทํากรรมตามความเห็นผิดเป็นเหตุหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตร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 เพราะการชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แม้พรามแม้แพทย์แม้สูตรแม้สมณนะผู้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมนุสสุจริตมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบเพราะการชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ว่าเศษฐะและพารัวาชะแม้กษัตริย์ผู้ประพฤติทั้งกายทุจริตและกายสุจริตทั้งวจีทุจริตและวจีสุจริตทั้งมโนทุจริตและมโนโสุจริตทั้งมีความเห็นผิดและมีความเห็นชอบทั้งชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบเพราะการชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิด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 การเจริญโพธิป si ัจขิยธรรมว่าเศสตะและภาระทวาชะกษัตร so so ิย์ผู้สํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจอาศัยการเจริญโพธิปัจฉิยธรรมเจ็ดหมวดแล้วจะปรินิพพานในโลกนี้ทีเดียวแม้พราหมณ์ผู้สํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจอาศัยการเจริญโพธิปักขิยธรรมเจ็ดหมวดแล้วจะปรินิพพานในโลกนี้ทีเดียว แม้แพทย์ผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอาศัยการเจริญโพธิปักขียธรรมเจ็หมวดแล้วจะปรินิพพานในโลกนี้ทีเดียวแม้สูตรผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอาศัยการเจริญโพธิปักขียธรรมเจ็ดหมวดแล้วจะปรินิพพานในโลกนี้ทีเดียวแม้สมณะผู้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอาศัยการเจริญโพธิปัจจียธรรม7็หมวดแล้ว จะปรินิพานในโลกนี้ทีเดียววาเศรษฐะและพารธวาชะบรรดาวันนะทั้งสี่เหล่านี้ผู้ใดเป็นภิกษุอรหันตขีนาศบอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุ ป, ประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบผู้นั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าคนทั้งหลายในวรนนสี่เหล่านั้น โดยธรรมเท่านั้นไม่ใช่โดยอธรรมเพราะธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าวาเศรษฐะและภาระทวาชะสมดังกาถานี้ที่สนางกุมารพรมกล่าวไว้ว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กริย์จัดว่าประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียร พ, พร้อมด้วยวิชาและจรณนะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทพและมนุษย์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 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธินี้แล้วว่าเศรษฐาสามเณรและพารัวาชาสามเณรมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแลอักคัญยสูตรที่สจบ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 เธอถอเอาด้านเดียวบรรเลอสีหนาฏว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจากไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราม์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคสารีบุตรเธอกำหนดรู้พระไทัยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการ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 พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรกลาบทูลว่าหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตรเธอกำหนดรู้พระไทยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ซึ่งจากเสด็จมาอุบัติขึ้นในอนาคตการด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจากทรงมีศีลอย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้หามิได้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตร เธอกำหนดรู้ใจของเราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุน UH ี้พระผู้มีพระภาคทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้หาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าสารีบุตรก็ในเรื่องนี้เธอไม่มีเจโตปริยญาณในพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นบัดนี้ฉชนันเธอจึงกล่าวอาศพิวาจายอย่างสูงถือเอาด้านเดียวบรเลสีหนาฏว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจากไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราามผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิยานยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคท่านพระสารีบุตรกลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะไม่มีเจโตปริย า, ยานในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบัน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 แม้เพียงที่ที่พอแมวลอดออกได้เขาย่อมรู้ว่าสัตว์ใหญ่ทุกชนิดเมื่อจะเข้าหรือออกมือนี้ก็จะเข้าหรือออกทางประตูนี้เท่านั้นแม้ฉันใดวิธีการอนุมานก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ทราบว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการทรงละนิวรห้าที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญา มีพระไทยมั่นคงดีในสติปฐานสทรงเจริญสัมโพชงเจ็ตามความเป็นจริงจึงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอนาคตการก็จากทรงละนิวรหที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีพระไทยมั่นคงดีในสติปฐานสี่ทรงเจริญสัมโพชงเจ็ดตามความเป็นจริง จากตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ทรงละนิวรณ์หที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกําลังปัญญามีพระไทยมั่นคงดีในสติปัญสีทรงเจริญสัมโพชงเจ็ตามความเป็นจริงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ เพื่อฟังธรรมพระองค์ทรงสแสดงธรรมอย่างยอดเยี่ยมปราณีติ้งนักทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวและฝ่ายที่มีส่วนเปรียบแก่ข่าพระองค์พระองค์ทรงสแสดงธรรมอย่างยอดเยี่ยมปราณีติ้งนักทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวและฝ่ายที่มีส่วนเปรียบด้วยประการใดๆขฆ่าพระองค์ก็รู้ยิ่งในธรรมนั้นด้วยประการนั้นๆได้ถึงความสําเร็จธรรมบางส่วนในธรรมทั้งหลายแล้วจึงเลื่อมใสในพระองค์ว่า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 าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องกุศลธรรมทั้งหลายนับว่ายอดเยี่ยมในเทศนานั้นมีกุศลธรรมดังต่อไปนี้คือ 1. สติปฐาน4 2. สัมมาปทาน4 3. อิทิบาท4 4. อิน 5, 5. 5. รีย์หพละห้าหกผชง7 7. อริยมัคมีองค์8 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องกุศลธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงรู้ยิ่งทำข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่เมื่อทรงรู้ยิ่งทำข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่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 อีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องการบัญญัติอายตนะโคนนับวยอดเยี่ยมอายตนะภายในและอายตนะภายนอกมีอย่างละหกประการนี้คือ 1. ตากับรูป 2. หูกับเสียง 3. จมูกกับกลิ่น 4. ลิ้นกับรส 5. กายกับผลถะพะ 6. ใจกับธรรมารม แต่พระองค์ผู้เจริญนี้ก็คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องการบัญญัติอัยตนะพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ยิ่งทำข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่เมื่อทรงรู้ยิ่งทำข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่ก็ไม่มีทำข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปอีกจะพึงมีสมณะหรือพรามอื่นผู้รู้ทำยิ่งมีปัญญาเกินไปกว่าพระผู้มีพระภาคในเรื่องการบัญญัติอัยตนะอีกหรือ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 ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องการก้าวลุงสู่ขันเทศนาเรื่องอเทศนาปาฏิหารค่าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่ง เทสนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องอเทศนาปฏิหารก็นับว่ายอดเยี่ยมอาเทศนาปฏิหารสี่ประการนี้คือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ดักใจได้ด้วยนิมิตว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้ถ้าเขาดักใจได้มากอย่างการดักใจนั้นย่อมเป็นเช่นนั้นทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่น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 ถ้าเขาดักใจได้มากอย่างการดักใจนั้นย่อมเป็นเช่นนั้นทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่นนี้เป็นอเทศนาปาฏิหาริย์ประการที่ส 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ดักใจได้ด้วยนิมิตมีได้ฟังเสียงของมนุษย์มนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายแล้วดักใจทั้งไม่ได้ฟังเสียงละเมอของผู้วิตกวิจารแล้วดักใจได้เลยแต่ย่อมกาหนดรู้ใจของผู้ได้สมาธิ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 ทัศนาสมาบัตสีประการนี้คือหนึสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผาขิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทําจิตให้ตั้งมั่นย่อมพิจารณากายนี้ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามบอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสรลฐน้องเลือดเหงือ่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูด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 ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด ม, ม้าปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า ดีเสลธหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดและก้าวข้ามผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษไปพิจารณากระดูกและรู้กระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งกําหนดโดยส่วน2คือที่ตั้งอยู่ในโลกนี้และที่ตั้งอยู่ในโลกหน้านี้เป็นทัศนะสมาบัติประการที่ส 4.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 ซึ่งกำหนดโดยส่วนสองคือที่ไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้และที่ไม่ตั้งอยู่ในโลกหน้านี้เป็นทัศนสมาบัติประการที่ส่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องทัศนสมาบัติ เทศนาเรื่องบุคละบัญญัติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องบุคละบัญญัติก็ น, นับว่ายอดเยี่ยมบุคคลเจ็ดจำพวกนี้คือ 1. อุปโตภาควิมุตตผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วน 2. งปัญญาวิมุตตผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา 3. กายสักขี ผู้เป็นพยานในนามกาย 4. ทิฏฐิปั ต, ตะผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิ 5. สศัทธาวิมุตติผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา 6. ธธรมมานุสารีผู้แล่นไปตามธรรม 7. สศัทธานุสารีผู้แล่นไปตามศรัทธาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องปุคลบัญญัติ เทศนาเรื่องประทานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องประทานก็นับว่ายอดเยี่ยมโู้ชงเจ็ประการ น, นี้คือ 1. สติสัมโอชงทําเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ 2. ธรรมวิจยะสัมโอชงทําเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเฟ้นธรรม 3. วิริยะสัมโอชง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 คือความวางใจเป็นกลางข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องประทานเทศนาเรื่องปฏิปทาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีประการหนึ่ง เทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องปฏิปทาก้นับยอดเยี่ยมปฏิปทาสี่ประการนี้คือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้า 2. ทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว 3. สุขาปฏิปทาทันทาพิญญา ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าส่สุขาปฏิปทาขิปปาพินญาปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็วบรรดาปฏิปทาสี่ประการนั้นทุกขาปฏิปทาทันทาพินญาปฏิปทานี้บัรดิกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติต่ำทั้งสองส่วนคือเพราะปฏิบัติลำบากและเพราะรู้ได้ช้าทุกขาปฏิปทาขิปาพินญา ปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติต่ำเพราะปฏิบัติลําบากสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิปทานี <anos> ้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติต่ำเพราะรู้ได้ช้าสุขาปฏิปทาขิปาภิญญาปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติประณีทั้งสองส่วนคือเพราะปฏิบัติสะดวกและเพราะรู้ได้เร็ว ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องปฏิปทาเทศนาเรื่องมารยาทการพูดเป็นต้นค่าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่ง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 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องมารยาทการพูดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องมารยาทคือศีลของบุรุษก็นับว่ายอดเยี่ยมคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมีสัจจะมีศรทัทธาไม่พูดหลอกลวงไม่พูดป้อยอไม่ทำนิมิตไม่พูดบีบบังคับ ไม่สแสวงหาลาบด้วยลาบคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคทำพอเหมาะพอดีประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่หนึ่งเนึงไม่เกียจคร้านปรารบความเพียรเพ่งฌานมีสติพูดมีปฏิพานดีมีคติมีปัญญาทรงจำมีความรู้ไม่ติดอยู่ในกรามมีสติมีปัญญาเครื่องรักษาตนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องมรารยาทคือศีลของบุรุษเทศนาเรื่องวิธีสั่งสอนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่ง เทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องวิธีสั่งสอนก็นับว่ายอดเยี่ยมวิธีสั่งสอนสี่ประการนี้คือหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงทราบบุคคลอื่นด้วยทรงมนัสิการโดยแยบคายเฉพาะพระองค์ว่าบุคคล น, นี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจะเป็นพระโสดาบันเพราะสังโยตสามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่า มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้า 2. พระผู้มีพระภาคทรงทราบบุคคลอื่นด้วยทรงมนัิการโดยแยกคลายเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจะเป็นพระสกะทาคามีเพราะสังโยษสามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางมาสู่โลกนี้อีเพียงครั้งเดียวก็จะทาที่สุดแห่งทุกข์ได้ 3. พระผู้มีพระภาคทรงทราบบุคคลอื่นด้วยทรงมนสิกานโดยแยบคายเฉพาะพระองค์ว่าบุคคล น, นี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอนจกเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำหประการสิ้นไปปรินิพานในโลกนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีก 4. พระผู้มีพระภาคทรงทราบบุคคลอื่นด้วยทรงมนสิกานโดยแยบคายเฉพาะพระองค์ว่า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 เทสนะเรื่องความอย่างรู้การหลุดพ้นของบุคคลอื่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องความอย่างรู้การหลุดพ้นของบุคคลอื่นก็นับว่ายอดเยี่ยมคือ 1. พระผู้มีพระภาคทรงทราบบุคคลอื่นด้วยทรงมนัิการโดยแยบคายเฉพาะพระองค์ว่าบุคคลนี้จเป็นพระโสดาบัน